คนเฮาเกิดมาในโลกเนี่ยห้างเชื่อเกิดถือเขาตัวก็มีเขาต้มก็มีแต่ก็ บ, บางเรื่องก็อยากจะให้ยินดีให้เขาตัวให้เขาต้มก็มีวันไปยินดีให้เขาตัวเขาต้มก็มีแต่บางที่ถูกเขาต้มก็มีบางที่พูพูเขาต้มคือสนุกต้มก็มีวัน้นึ่กี่ตัวก็มีวันหนึ่งหลายแนี่แต่ละลูกหลานในโลกเนี่ยเพราะนั้นเฮาต้องละมัดระว่าง ไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าไปให้เขาตัวเขาตมุมขนาดเนี้ยพอเยนวัดกันยังถือเขาตัวได้เลยพวกเขาอยากจะฟังว่าเนี้ยพอเในวัดถึกถึกเนี้ยน้อยตัวเอาลงไปเนี้ย น, น, น้อยขึ้นสนุกขึ้นเมาน่าลงไปเนียน้อยขึ้นสนุกขึ้นเม่าเนีอยเฮ็ด mm. จังไหนเนาะสนนันเดย์วันนี้เห็นเนี้ยพอพูดเองมากอายุอญญายะเมามาลาไปพอมาหอดจาล่าถึบอกไว้เนี้ยพอเนี้ย พ, พอสันเดย ย่า่พอขอน่อยอยู่ในวัดเนี่ยหัวเหนียวหัตึงหัวหนวกได้ว่าจะไ น, นบอกต้องบอกแห้งแห้งได้ว่าจะไหอย่า่พอมาต่ใสว่าจะไห น, นพูดแล้วมาจากทางภาคกลางพูดแล้วว่าจะไหน เ, นเออนั่นอ่นะเวลาไปหาย่า่พอขน่อยเนี่ต้องบอกแห้งแห้งว่าจะไหนเนพื่อเอกยา่พอเขาน่อยหัวเล็กหัตึงตัวหัวหนวกว่าจะไหนเนี่ยห น, น่อยบอกย่า่พอแขกที่มาใหม่ ป๋าไหไปบอกเงี้ยพอเจ้าของป๋าไหนเงี้ยพอวะท่านใดไอเงี้ยพอที่มาใหม่หูหนวกเนอะ่านใดการบอกก็เพลินบอาแห้งๆเนอะท่านใดเพิ่งจะได้ยินวะท่นใดแต่เด็กเนี่ยหน่อยเป็นซื้อกางเงินออกไปพ๋าไหนเงี้ยพอเขามากรบลไปอเงี้พอถึงเจ้าของทีนก็ถามแขกแล้วไปมาแต่สายมาจากภาคก๊า ไปได้หูบดีมันโดนปัดญายู่บ้น้าหูบดีเสียนะโอ้ส่วนสิหูจากแน่ม่เนนน่อยต้มหมดลงไปเนน่น่อยต้มหมดลงไปน่นอนไปซื้อกางไห้วันี้นี่แหละพวกเข้าให้ระว่างเนี่ยพุทธผู้แกเนี่ยลงพอในี่ยเรว่างเนี่ยพวได้เจ้าพ่อลงพอเนี่ยฟังเบืองให้ก่อนว่ามันแมนบ่ซะก่อนเนี่ยเหตุขึ้นเง่พอน่บ่ได้เดวเนี่ยพอเนี่ถือหลอกเนนหน่อะ เน่น้อยต้มมันไปเอาไปสัวสิหูจักกันมาเนี่ยพอหูดีทั้งสองเลยพอแห้งหน่อยตะโกนใช้กันมันไปโตตๆๆๆตตเวโตตอไแม่ถึกเนี่ยน้อยต้มก็ขักตัวเฮ้าเนี่ยมันไว้ได้บัด <c oughs> นี่นี่แหละเนี่ว่าเฮ้าประยุใสตโดยั่พลอยังยิงผู้เฒ่าผู้แกอพอแม่ของคน เวลาจะอยู่ใส่ต้องลูกน้องมาเบาอกยังให้ฟังต้องหูนักไว้ก่อนด้วอต้องไข้ข้วนไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนจากนั้นค่อยสืบคอยสอบคอยถามบงมันเป็นอย่างที่มันเบาบอกนะก็มันเป็นอย่างที่เขาเบอกเออเอายังค่อยว่าตามเนื้อผ้าผ้าสีแดงผ้าสีเหลืองผ้ายัางก็เบอกตามเนื้อผ้าแค่นั้นปุ๊บปั๊บได้เงี้ยงมากเลย พ่อปนันย่พอถึกแน่นหน่อยตมเนละโอ้เสียหายแต่ก็บฏเสียหายไประเดว่าแน่นหน่อยแนตะ่ว่าไปหัวเราะจุใส่คดใส่โขว่แหงห่อเลยแย่พอตะโกนใส่กันมนันออกไปเนอ่ยโอป้ประสบสําเร็จเลประสบประสบสําเร็จที่ตัวแย่พอตะโกนใส่กันมันนี่เลแน่นหน่อยเลยแต่เย็นเลยก็ดีใจวันนั้นไป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 วันที่สองคณะสงฆ์วัดของเราก็ได้สวดมนต์สวดพระปริตตะมงคลเพื่อบูชาพระคุณแต่เมื่อคืนเนี่เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนสิคณะสัตยาญาติโยมมามากเพราะวันเป็นวันพระเป็นวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถเป็นวันปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็พา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 จากนั้นพวกเราก็ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ น, นั่งสมาธิเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นอาจาริยบูชาสังฆาระสังฆารบูชาบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จที่พระ อ, องค์ท่านมีอายุครบร้อยปีเมื่อวานวันที่สตุลาห้หก นี่อันนี้ก็คือพวกเราได้กระทาแต่วันนี้เป็นวันที่ห้าเขาจะสวดอยู่เจดวันเจดคืนมั้งอันนี้พวกเราก็ได้ทำสองวันแลยก็พร้อมกันอีกสิบห้าวันจากนี้ไปเขาเป็นวันประวารณาออกพรรษาเป็นวันที่สิบวันนี้เป็นวันที่ห้า วันที่เป็นวันออกพรรษาวันประวารณาแต่กระถินวัดของเราก็อย่างที่ขึ้นไป้ายไว้บอกประกาศเป็นวันที่27ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันกระถินวัดป่านาคำน้อยของเราแต่เราไม่มีการแจกซองไม่มีการไม่มีอะไรมีแต่บอกกล่าวถ้าหาว่านรัตถายาิโยมกลุ่มใดที่จะมาร่วม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 เราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ ข, มดขโมยเราเคารพในสิทธิสามีภรรยาเราไม่โกหกใครเราไม่ดื่มสุราให้ขาดสติอันนี้สงศีลคุ้มครองเกิดมาพบนาชาติหน้าสุขภาพร่างกายของเราก็แข็งแรงเพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ลังแกสัตว์แล้วก็ได้สิ่งของมาก็ไม่มีใครจะมาเบียดบังมาขาโมยเราเพราะเราไม่เคยทําให้กับคนอื่นเขา การที่จะมาก่อขึ้นมาใหม่อันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าที่จะทำบาปกรรมของเราในอดีตชาติที่เราเคยขโมยเขามาก่อนอันนั้นไม่มีเพราะศีลของเรารักษาดีแล้วในอดีตเนแล้วก็สามีภรรยาของเราก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้เข้าใจกันเพราะเหตุไรเพราะในสงสีนของเราเคารพศีลสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขา มาพบนี้ชาตินี้เขาก็เคารพสิทธิเราอันนี้ินข้อที่สข้อที่สพวกเราไม่เคยโกหกเขาพูดอะไรพูดพูดด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงศินข้อที่สี่ก็คุ้มครองเกิดพบใดชาติใดก็ไม่มีใครมาต้มตุตนหลอกลวงเขาเรานะ่ยแต่ถ้าหากว่าเราเคยโกหกเขามา ก, ก่อนก็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะขนาดหลวงตาหูหนวกไปเจอกันหูดีไปเจอกันยัง ถูกเนียนน้อยหรอกฮะนี่แหละอันนี้ก็คือความโกหกแล้วก็ข้อที่5เรารักษาศินดีสติปัญญาของเราก็ดีแล้วก็เราจะไปนสถานที่ใดก็ไม่มีใครที่จะมาเกะกะระรานเราเพราะเหตุเพราะอนันสงสินของเรารักษาดีแล้วศิลคุ้มครองฮะ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 เรือนจาเรือนจำสมัยก่อนเขาคงจะไม่ได้ปิดมิดชิดเหมือนทุกวันนี้พอไปเห็นเรือนจำท่านั้นน่ะพวกเขาจับโจรผู้ร้ายได้พระเจ้าเพนดินก็จให้ใส่คือคาคือคากระใส่อะไรล็อกคอไว้ล็อกแขนไว้ ท, ทั้งเชือกทั้งเชือกทั้งไม้ตีริมสกัดเอาไว้ไม่ให้โจรไปได้ดูดูแลเต็มไปหมดเลย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 วันนี้พวกข้าพระองค์ได้ไปบินทบาทไปเห็นพวกโจรที่เขาจับมาได้นะใส่คือคาล็อกขาล็อกคอโอ้เครื่องพันธนาแน่นหนามันคงมากพระเจ้าคนะ่ะคงจะไม่มีอะไรที่จะโจรเหล่านั้นที่จะหลีกลี้หนีไปได้พราพระพุทธองค์บอกว่ายังเครื่องพันธนาการอื่นที่มันเหนียวแน่นกว่านั้นยังมีนะภิกษุทั้งหลาย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 ชาตินั้นน่ะท่านเกิดเป็นคนมีฐานะต่ำมีเงินมไม่รวยเกิดมาเป็นคนชาวบ้านชาวบ้านไม่รวยเป็นทุกขตาเนี่ยท่านบอกว่ า, ว า, พ, วาพ่อต่อมาพ่อเขาแม่ก็เลยแต่งงานให้เราหาภรรยาให้ต่อมาพ่อก็เลยตายพอร้อยตายแล้วก็ยังเหลือแต่แม่แม่เราก็เลยดูแลแม่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 พออยู่ต่อมาอีกอพอคลอดลูกเอิบฉันจะไปแล้วนะออจะพึ่งไปเอื่ให้ลูกหา่านมซะก่อนพอลูกใหญ่หยานมกับคนที่สองก็เกิดขึ้นมาอีกนี่แหละในชาตินั้นเราก็เลยพอคลอดคนที่สองแล้วเออให้สมบัติทั้งหลายให้เจ้าดูแลกันแล้วกันนะดูแลนะเราจะหนีไปบวชนั่นแหละในชาตินั้นเราถึงหนีไปบวชอยู่ในป่า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 กลุ่มเท่านั้นคนเท่านี้คนเป็นเชือกเส้นทติสองผลที่สุดมีมากมายเครื่องพันธนาการนี่แหละสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่ผูกอ่อนๆเป็นเชือกที่พุกอ่อนๆแต่แก้ได้ยากคือเรื่องเหล่านี้แหละให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดูพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้น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 ขณะร่างกายหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ยังจะทิ้งนะหลวงพ่ออินเขจะตายแล้วก็จะทิ้ ง, ท, ง, ท, งทิ้งกระถัดขาะร่างกายเมื่อทิ้งแล้วใจจะออกไปจากร่างนะออกไปจากร่างจะไปที่ไหนนั่นแหละเป็นหน้าที่ของหลวงพ่ออินจะต้องคิดว่ามีพร้อมหรือยังคุณธรรมในจิตใจที่จะออกจากร่างนี้พร้อมหรือยังนี่แหละให้พวกเราคณะจตท h a ญาติยาโยมลูกหลานทุกคนนะถามตัวเองนะว่า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 เรายังมีชีวิตยอยู่เื่อเมื่อเราหนีออกจากภพนี้ชาตินี้ไปไปปฏิสนธิในภพหน้าชาติหน้าเนะ่เราจะมีอะไรเป็นเครื่องอุ่นใจสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดพอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกตายแล้วไม่สูนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดนะ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 อันรับพอ่อนันโมตนาให้พร